ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้แต่รลวงพระพธทยญาณได้นำเสนอพุทธการกธรรมหรือบารมีธรรมสามสิบทัศมาตามลำดับคือทานศีลแล้วก็เนคขมะซึ่งเราจะเห็น ว, ว่าทานศีลก็บเนคขมะนั้นที่จริงก็เป็นปัจจัยของการแลิกกันเนคขมะนั้น คือการปฏิบัติพัฒนาจิตของตนเองโดยนํานจิตออกจากกิเลสหรือนำกิเลสออกจากจิตในเรื่องทางศีลก็มีลักษณะยอย่างนั้นพอมาถึงปัญญาบา ร, รมีนั้นจะเป็นปัญญาหลักหรือบา ร, รมีหลักประวการศาสรูของพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าปัญญาเครื่องศาสรู ความหมายความมาสิ่งที่ทำให้พระองค์สัสรู้ก็คือตูปัญญาหรือสมาธิินั่นเองเวลาสัสรู้ก็ได้แสดงว่าวิชาเกิดขึ้นอวิชาดับไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดหายไปเวรนำมาแสดงไนี่ยทำมาจากกัตราสูตรที่ยิ่งชัดเจนนะจึงจะขุกรณียาณกรณี ตัสมายาัยยปิญญายะสัมบูทายะนิบานายะสังวตติคือว่าเป็นแถวไปเลยจะคู่ก็คือปัญญาจาักสุกญาณะก็คือปัญญาที่มันเกิดผุดขึ้นภายในใจเราก็เรียกว่าญาณพอเมื่อเมื่อพวกเหล่านี้เกิดขึ้นอุปสมาัยยาคือกิเลสเป็นสงบสงบความรู้ก็สูงขึ้นความรู้สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยความรู้เป็นสัมบูทายะก็จักสรุป พอสั์สรูแล้วจิตใจก็ดับกิเลสมันก็ดับเขาเรียกอันนี้ผ่านปัญญาก็คือดับกิเลสดับกิเลสก็ดับทุกเป็นการดับครบทั้งกระบวนการปัญญาบา ร, รมีเป็นปัญญาที่ถ้าเราดูส่วนใหญ่อะนะจะไม่ค่อยลักษณะของปัญญาที่สร้างขึ้นแต่เป็นปัญญาภาคใช้งานอย่างตัวอย่างที่เราคุ้นๆ ก, กันก็คือเรื่องโมถ ซึ่งเป็นปัญญาบารมีหมสดนั้นใช้ปัญญาช่วยเหลื อ, อกุศลแก่บุคคลอื่นมาตั้งแต่ต้นก็ตั้งแต่เป็นเด็กๆสามารถพิภากษาตัดสินวินิจฉัยความขัดแย้งของประชาชนต่งตางๆได้นั่นก็แสดงเห็นว่าเป็นปัญญาภาคใช้งานเต่ยวกการศึกษาการทำความเข้าใจ นิยต่างๆของปัญญานั้นก็ควรจะศึกษาทุกแง่ทุกมุมตามที่ทรงแสดงเอาไว้เพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างในโลกแล้วก็ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีวิตที่ปเป็นสุดคืๆก็จะมองโดยองค์รวมไพืจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นที่จริงก็คือคําเดียวก็คือปัญญาเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธเราก็ไปวรุ รู้ก็ตื่นจากกิเลสสนิาสาในการหลับเริ่มนากของกิเลสดิใจของท่านก็เบิกปานพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งประกาศใช้ไปแล้วนะฉบับปัจจุบันเล่นไม่ค่อยโตรหรอกแต่ว่าเป็นโลกแห่งจินตนาการคือความฝันของนักวิชาการที่จบมาจากอเมริกาทั้งหลาย แต่ไงก็ตามนะฮะพูดไปพูดมามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเพื่อพัฒนาคนในหะ้เป็นคนดีเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสุขหรือเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็มีความสุ ข, อ, นนนนาสขอาตมาได้ยินหลายครั้งทางวิทยุบ้างบางทีเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสไปเข้าไปนั่งร่วมอยู่ในสถานที่นั้น มันไม่เหมาะไม่ควรบ้างแล้วก็กไม่อาราธนานิมนต์เข้าไปบ้างแต่เราก็ใครจะรู้นะว่าวิชาการเรื่องนี้การงานเหล่านี้มันผ่านพ้นไปได้ยังไงแล้วบางแห่งเขาทำเทปจำหน่ายแล้วก็ส่งคนไปซื้อเทปมาฟังบางคราวเขาก็เปิดโอกาสให้อัดล้วก็ส่งคนไปอัดมาให้หรือบางคราวคนเรู้ว่าเราสนใจในเรื่องล่านี้นนก็ไปอัดเทปมาเปิดมาให้ฟัง แต่การฟังในค่อนข้างมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่กุฏิไม่มีเวลาไปนั่งฟังอย่างนั้นนะมาก็ต้องเอาใส่รถไปแล้วก็เสียบขาเสเซ็จฟังในขณะเดินทางเพื่อไปบรรยายอบรมก็พยายามศึกษาตามคิดตามไปนะต่อวันก่อนก็ไปเป็นวิทยากรบรรยายที่ส่วนสามพราญ ให้พวกกลุ่มของธรรมหลักสูตรเนี่ยทำราชบัญญัติเจริหารหลักสูตรก็สรุปประเด็นต่างๆนะเพราะว่าผู้กนักวิชาการอย่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องพูดมากอะไรแล้วก็ตั้งคำถามตัวรุ่งแก้วแดงว่าคุณจะเอาอะไรนำละ่ะจะเอาดีเก่งดีนำหรือว่าเก่งนำหรือว่ามีความสุขนำ เขาก็บอกว่าให้มันหมุนคล้ายๆกรสอนที่หันหัวไปเป็นวงกลมแล้วก็หมุนหนุนกันไปตลอดเป็นวงกลมเป็นวัฏจักรจังหนึ่งเกิดจดังหนึ่งเกิดจดังหนึ่งเกิดก็ทยอยกันไปเรื่อยๆก็บอกว่าคอนมุนมนธนาแต่ว่าโดยความเข้าใจในฐานะที่เราเป็นพระเกิดมาจะมองไปเชิงเนื้อหานี่มากคือไม่ค่อยมองโดยรูปแบบเลยก็ไม่ค่อยเถียงอะไรกะไกล คือฟังแล้วเราก็มองเห็นประโยชน์เราก็ไม่ขัดขอไกลแล้วเรียนตัวสอบถามทบทวนว่าที่เราเข้าใจนี่ตรงหรือเปล่าเดี๋ยวมาเข้าใจว่าถ้าดีเก่งมีความสุขก็แสดงว่าเป็นการเบียงด้วยปวพุทธคุณที่ว่าพุทโธสุสุธโธกัุณามานาโวเก่งดีมีความสุขนะฮะเก่งดีมีความสุขก็เร่งอย่างนีน้เก่งก็คือมีปัญญามาก ดีก็คือจิตใจบริสุทธิ์มากมีความสุขก็คือโลกัาตุในการมองโลกด้วยความเป็นมิตรมากพูดถึงการศึกษาระดับโลกแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาระดับธรรมะก็หมายความว่าเดินไปบนพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า่ะมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีความเมตตากรุณาสูงขึ้นมันก็กลายเป็น ดีเก่งบกอ่าดีเก่งแล้วก็มีความสุขทีนี้ถ้าหากว่าเก่งดีมีความสุขนะคือถ้าหากว่าเราจะเรียงแบบอ่าดีเก่งมีความสุขมันก็เรียงแบบอรหังสมาสุปโธปกราระหมายความว่าเรียงโดยเอาบริสุทธิคุณว้ข้างหน้าปัญญาคุณที่สองแล้วก็กุณาคุณที่สามแต่ถ้าถามว่าเรียงว่ามีความสุขดีเก่งห่ะ เรียงได้หรือเปล่าเขาก็ได้นะบขาก็เรียงได้ก็เรียงแบบนมโมตัสสะพระกัตวะตัวอาตุสมาสมุทติสตะรเราเช่นว่านมโมตัสสะนั้นเรียงเอากรุณาไว้ข้างหน้านมโมตัสสะพะกัวะตอวอาตุโตแล้วก็บริสุทธิ์ไว้ที่สองแล้วปัญญาไว้ที่สามก็หมายความว่าเป็นการมีความสุขแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เป็นคนเก่งก็เป็นปัจจัยของกันแหลกกัน ทํานองคล้ายๆกับวัตตจักรอ่ะวัตตะสามเนี่ยคือกิเลสกรรมวิบากเราเชื่อว่ากิเลสนั้นเป็นตัวพลังขับเคลื่อนและในตรงกิเลสนั่นแหละมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมะได้พอเป็นธรรมะธรรมะมันก็มีการคิดขึ้นมาก็ทําพูดออกไปก็เป็นกรรมกรรมก็รับผลกรรมกรรมก็รับความสุขจากกรรมเหล่านั้นธรรมะมันก็เกิดขึ้นอี่มันก็หมุนไปอีกวงจรหนึ่งหมุนไปอีกวงหนึ่งแต่เป็นวงของกุศลธรรม เพียงแต่ว่าท่านพูดในแง่ของแนวหนึ่งก็หมายความมาในความมีธรรมะเราเนี่ยถ้าเราไม่เป็นพระหานเราก็มีกิเลสปนอยู่ด้วยอีกแนวหนึ่งก็พูดในแนวของสังสารวัฏแต่เราจะต้องมองเห็นว่าวงกลมเหล่านี้มันหมุนได้ทุกวงเราเริ่มที่เมตตาก็ได้เริ่มที่กรุณาก็ได้เริ่มที่รีก็ได้เริ่มที่สติสัมปญญาอะไรต่ออไรอ่าก็ได้เริ่มมาคาดเริ่มจากโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันเริ่มได้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็หมุนได้ด้วยกันทั้งนั้น นั้นก็แสดงเห็นว่าปัญญาเนี่ยมันจะปรากฏโดยชื่อนี่เยอะปัญญาคำเดียวนี่ชื่อมันมีความหลากหลายได้เกินเป็นปัญญาภาคสนามเป็นปัญญาภาคปฏิบัติแต่ว่าทั้งหมดนั้นก็คือปัญญาบารมีแต่ว่าเป็นพวกตัวสถานะเป็นตัวอาการเป็นตัวเหตุเป็นตัวอาการเป็นตัวผลก็ไม่รู้ละก็แล้วแต่ว่า แต่ว่าอย่างที่บอกทั้งข้อสังเกตไว้นะะว่าในพระบาลีจริงๆข้าที่พบเนี่ยมันจะเน้นไปภาคใช้งานแม้ศีลบารมีก็พูดถึงภาคปฏิบัติรักษาศีลยู่แลทานบารมีก็พูดถึงการให้ทานไปแล้วแล้วก็มีผลจากการให้ทานไปแล้วเล ข, ขมำบารมีก็พูดถึงออกบวชไปแล้วก็ว่าออกไปจากกิเลสออกไปจากความทุกข์แล้ว ระดับหนึ่งนะคือไม่ใช่ทั้งหมดเนคขมักหมดไม่ได้หล่ะเพราะเนคขมัหมดมันเป็นปราลาหันเลยปัญญาก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะออกมาในภาคของปฏิบัติหรือภาคของการใช้งานมันจาแนกแสดงปัญญาเอาไว้ในหลายประเภท ด, ด้วยกันโดยององรวมก่อนนะฮะองรวมเนี่ยปัญญามันสองกลุ่มใหญ่กล่าวถึงเหตุที่เกิดกล่าวถึงเหตุที่เกิดก็ยังมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าภายในใจเรามนุษย์เนี่ยมันมีวิญญาณธาตุหรือมีพุทธธาตุแปลว่าธาตุรู้เนี่ยมันมีอยู่ภายในใจแต่ว่าเราส่วนมากเราเรียกว่าวิญญาณธาตุที่พระเจ้าทรงสแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกคือดินน้ําลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณ ปัญญาณธาตุก็คือาธาตุรู้หรือาธาตุเดียงสาก็ได้นะแต่เราจะพูดว่ารู้เดียงสาเนี่ยก็ได้คืายความว่าคนเนี่ยเป็นสัตว์โลกประเภทที่สามารถติดต่อสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจกันได้ก็เกิดรู้เดียงสาได้เพราะปัญญาในจิตใจของคนมึงจึงมีอยู่สองเหตุเหตุหลักนะฮะเหตุหนึ่งก็คือเขาเรียกสัจจปฏิกปัญญาเป็นปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิด ติดมาในตัวของบุคคลเหล่านั้นเองแต่ว่าปัญญาในสายใดเป็นรายละเอียดนะบมันก็ทําให้เราเห็นในแวดวงของการศึกษาลักษณะแนวโน้มอัตยาศัยความถนัดความสนใจความโน้มเอียงความโดดเด่นของคนเนี่ยไม่เหมือนกันในกรณีของาศาสนาบางคนนี่แม้มีโน้นมเอียงมาตั้งแต่ต้นหละงมาความคนคนนี้ยสร้างปัญญาทงางศาสนามามาก และต่อไปก็จะเป็นนักปราดทางศาสนาะแต่มันค่อนข้างทวนกระแสนะครับคือในวันที่สี่เนี่ยมีมีเนนมีเด็กระดับมาเยมสองอะไรเนี่ยนะฮอายุสิบสามปีก็มาขอบวชที่วัดอยู่สามสามคนอีนคนหนึ่งเนี่ยเขามาบอกกับลูกศิษย์ไว้หลายครั้งแล้วว่าเขาในชีวิตเขาเนี่ยก็จะบวชไม่สึก แต่ตอนนี้ก็ขอบวดไปก่อนนะอาตมาก็คือเลยจัดบริการให้ทั้งหมดทั้งสามคนแต่จะคอยสังเกตดูนะฮะว่ามันมีความโน้มเอียงที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้เขาอยู่เพราะอะไรเพราะเราหาพระเนนที่มีจิตวิญญาณที่จะอยู่สืบอายุระาศาสนาจริงๆเนี่ยหายากเดี๋ยวดูดแล้วคล้ายๆจะทําง่ายนะฮะแต่มาถึงจุดเดิอกมันไปไมได้ ก็ยังนึกถึงมีวันหนึ่งเนี่ยเป็นพระที่จบสอนอโบปตบแล้วนะฮะเป็นาศาสนศาสตร์บัณฑิตและพุทธาศาสตร์บัณฑิตมาแล้วก็มาหาสองรูปรูปหนึ่งกำลังทำปญาโทอยู่รูปหนึ่งจบปัญญาตรีแล้วก็ต้องการจะฝึกทํางานก็ตั้งใจไว้ว่าจะมาช่วยงานกองอตมาในด้านของ การขีดการเขียนเนี่ยนะะคือว่าการลอกเทปการคือเราจะพูดข้อความต่างๆลงไปในเทปแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็มาปรับสำนวนเนาะทีหลังคือมันมันสะดวกกว่าไปพิมพ์บางทีเราพิมพ์ไม่ทันนะฮะความคิดเราไปซะก่อนแล้วเราก็พิมพ์ดีดสัมผัสไม่เป็นแล้วก็พิมพ์ได้แต่จิ้มเอาเพียงแต่ว่าจิ้มเร็วเหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ความคิดเนี่ยมันมันมันเอาไม่ทัน ต่พูดใส่เทพแล้วก็ลอกแล้วก็มันจะง่ายแล้วก็มาปรับปรุงกันทดลองดูปรากฏว่าแกอาสาบอกว่าอีกสองวันในจะมาถวายอัตอมาก็รู้ว่ามันทำไม่ได้เหล่าสองวันประเทพเราให้ไปสี่มูนก็คิดว่าจะลองรอลองร อ, ง อ, งองดูสักสี่ห้าวันที่จะเสร็จไหมนะเพราะเพราะภาคสนามนี่เรานึกว่าทำง่ายแต่ว่าทำไม่ได้ง่าย การพัฒนาปัญญาเนี่ยส่วนหนึ่งมันต้องมาจากสาติกปัญญาหมายความว่าเราเรียนผ่านพบชาติต่างๆมาเป็นอันเดกันนั้ น, น, นแต่และเรื่องแต่ละสายเนี่ยจนกลายเป็นถ้าหากว่าเป็นเรื่องของไทยเนี่ยเรื่องของไทยเรื่องของอินเดียเรื่องของอะไรแถวแถวเอเชียพูดง่ายว่าแถวเอเชียเราจะมองเป็นอัจฉรยิยะคือหมายความเป็นคุณคุณสมบัติเฉพาะตัวคนคนนั้นที่เขาโดดเด่นเดี๋ยวก็เก่งในเรื่องเหานั้น แล้วก็ได้สายนั้นๆด้วยนะฮะไม่ใช่สายเดียวกันสแสดงว่าไม่ได้เรียนในชาติเดียวแต่เรียนมาหลายภพหลายชาติเพราะในสัจจะที่กะปัญญาพอถึงฝรั่งเนี่ยเพราะเชื่อในลทัทธิที่ว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมาจากพระผู้เป็นเจ้าแม้แต่ข้าวจะกินสักคาก็มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นพรที่ได้จากสวรรค์คือสื่อสารกับพุทธนี่ไม่เข้าใจนะฮะ รเราเห็นว่าถ้าพระเจ้าสามารถให้พอในคนนั้นฉลาดคนนั้นโง่ได้แล้วก็พระเจ้ามันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะไม่ไม่เป็นคนดีเดอะไรคือไม่น่าจะเคารพนับถืออะไรเพราะในขณะที่ตัวเองบอกว่ารักมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นเป็นฉายาของพระองค์โดยเสมอเสมอกันแต่ปล่อยผู้ที่ท่านรักเนี่ยบางคนก็โง่ไม่ได้เรื่องเลย บางคนก็ให้พรสวรรค์มาเป็นพิเศษเลยบางคนก็พี่กลพิการรู้มันมีปัญหาเยอะคือปัญหาจะย้อนกลับเข้าไปกระทบพระผู้เป็นเจ้าเยอะพราะนักศาสน า, าพุทธจึงไม่ถือว่ามาจากสิ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากภายนอกแต่ว่ามาจากคนนั้นเองเพราะนั้นอัจฉริยะคือคุณสมบัติโดดเด่นเป็นเอกของใครก็ตามนะเกิดขึ้นใครก็ตามก็แสดงว่าเป็นผลกรรมของคนงค น, นั้นในอดีต แต่เรียกโดยสำนวนของอภิธรรมเขาเรียกว่าสัตว์ที่เกิดในไตรเหตุคืออโลพะอโตสะโมหะจิตมันผ่องแผ้วมันไม่มีอาการของ โ, โรคปวดหลงตอนหรือปฏิสนธิไม่ใช่ไม่มีเลยนะฮะแต่ว่ามันอาการมันไม่แปลกกฎก็ทาให้เกิดมามีสติปัญญาแล้วก็กลายเป็นนักชริยะจะแสดงปัญญาด้านใดนด้านหนึ่งออกมานะเราพบมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้นะฮะ เยาวนกรในพระเข้าไปที่ลังกาแล้วเ้าก็ไปอัฐเทพเด็กหกขวบห้าขวบนะฮะสวดมนต์สวดมนเคร่องมากนะฮะสวดธรรมมจากสตรอนัตสวดอดิตสวดธรรมานิยามสวดหลายสูตรแล้วก็สวดสวดเร็วสวดออกเสียงฐานกรอคขระได้ถูกต้องซึ่งเป็นไปไม่ได้นะฮะเด็กถ้าจะเรียนเนี่ยเป็นไปไป่ได้เลยเรียนไม่ทันอ่ะแล้วเธอสวดได้ตั้งสามขวบกว่าแล้วนะ กบหมายความพูดได้ก็สวดได้แล้วเธอก็บอกว่าในชาติบางก่อนนานมาแล้วเนี่ยเธอเกิดเป็นพระแล้วก็ไม่จะเกิดเป็นพระนะฮะเกิดเป็นคนลังกานะออกบวชเป็นพระแล้วก็เป็นผู้ช่วยของพระพุทธโกศาจารย์พระตัตาจารย์ยุคพศประมาณหนึ่งพันสมัยพระเจ้ามานามเนี่ยตอนก่อชั้นนี้ชั้นานมาในภพชาตินั้นแล้วก็ตายไปบังเกิดในสุคติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จําได้ สมัยที่พศสังพันหารอยสิบห้าแตมาไปศึกษาที่อินเดียตอนนั้นมันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมันโดดเด่นมากมีภาพติดตามรถไฟตามสื่อต่างๆคนเคารพนับถือกันมากจนขนาดว่าภายอุจระในคนเนีอยเอาไปเจอหน้าถถกันแล้วกันเลยอินเดียมันเคารพนับถือมากเขาเล่านะฮะเขาเล่า ว, ว่า แกเข้าไปในที่ประชุมหมหาพรามซึ่งพรามเนี่ยเขามีโอกาสหนึ่งเขาเรียกว่าทบทวนมนต์ก็ใกล้ๆกันนํามอามนต์ต่างๆที่แต่ละคนสวดมาเนี่ยมาสาธยายพร้อมกันแล้วก็มาแสดงก็เรียกชำระมนต์ชำระชำรบชำระวันณะก็ชำระมนต์ชำระวันณะก็คือชำระการสืบสายของสกุลแต่ละสกุล เจ้าหน้ามนก็คือสอบทานมนกันมีพราหผู้ใหญ่ขึ้นพูดแล้วก็เด็กคนนี้ซึงตอนนั้นแกสามขวบแกไปแกสะกิดบอกพ่อบอกพ่อพ่อพระไอคนนี้ถือว่าไม่ถูกอ่ะไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแล้วก็ผิดด้วยน่ะต้องผิดด้วยไอ้ลูกก็พ่อก็พยายามห้ามลูกเอาไว้เพราะเด็กหรือกันนะฮะพูดจาไปก็ไม่เคารพผู้ใหญ่พอพราหมู้ใหญ่ลงนะะเด็กก็วิ่งไปเลยแกหยิบประมานั่งมาถึงวางะ วางแล้วก็ปีนขึ้นไปยืนบนของบนเพื่อพิ้งคถึงไมโครโฟนนะภาสาไท ย, ยเยี่ยมมากเลยงงที่ประชุมนี่งงเงียบหมดเลยพระภาษาไท ย, ยได้ยังไงมันระดับปรม า, าจารย์แล้วจึงไปสาธยาไทยขนาดนั้นได้แต่เด็กคนนี้ภาธยาไทยได้ละติบายเป็นคุ้งเป็นแควเลยนะถูกต้องนักปฏิราชาบัณฑิตที่มาประชุมกันในสมัยนะัก็ตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่แล้วเคารพนะับถือกันแพร่หลาย มาไปอยู่สองปีเนี่ยก็เจอภาพเขาบ่อยๆตามรถไฟตามสถานีรถไฟตามที่ต่างๆที่เราไปแต่ก็ไม่เคยถามเพื่อนฝูงว่าเด็กคนเนี้ยก็ทุกวันคงโตไปอายุเราสามสิบไปแล้วนะต่อมากลับมาจากอินเดียตั้งแต่คือไปเมื่อหนึ่งห้านะฮะตอนนี้มันสนะี่สามแล้วกวาอายุตอนนั้นก็เือประมาณห้าปี5าหกปีตอนนี้กโดดเด่นมากอันี่คือแนวที่เรา เรียกว่าอัจฉริยะหรือพรสวรรค์หรือพรสวรรค์ในาศาสนาของเทวนิยมในบ้านเราเนี่ยก็มีคนประเภทนี้อยู่เยอะในหลายๆเรื่องก็แล้วแต่จางผู้อัจฉริยะทางาศาสนาเช่นสมเด็จพระมหาสมณเาจ้ากรมยาวิชารบรรตเนี่ยเอาถือว่าเป็นบุรพ า, ารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งพระชนภรษาตอนสิ้นระชนเนกหกสิบสองนะไม่เต็มดี อาตมาในหกสิบหกเลยยังไม่ได้เรื่องใลยท่านหกสิบสองในท่านโอ้โหฉลาดปราดเปลือกมากเลยตั้งแต่ทรงพระเยาวอนะ่ะแล้วก็เล่นเป็นพระเล่นเป็นนักเทศเล่นเป็นบิณฑบาตเล่นหม่มจีวรท่านเล่นของท่านนี่ไม่ไม่ได้ออกไปนอกแวดวงศาสนาตอนเด็กๆอายุไม่กี่ขวบเนะี่ยเล่นในเป็นราชกุมารเป็นพระองค์เจ้านะพระองค์เจ้ามนุษย์สละกลามนก นั้นจะเห็นว่าเป็นความโน้มเอียงที่มาทางศาสนาเป็นอัจฉริยะทางศาสนาเรียนเร็วจับเรื่องอะไรได้เร็วเขาขุดได้อักษรคืนซึ่งเป็นยุคพระเจ้าอาโสกได้ที่นครปฐมเอาอมาถวายนี่อ่านออกทันทีเลยนะฮะอ่านออกทันทีเลยและอธิบายได้เชื่อมโยงกับหลักฐานต่างๆได้จนทุกวันเนี่ยนะฮะจนทุกวันว่างานพระนิพน์ งานต่างๆของพระองค์ท่านเรามาอ่านแล้วก็พยายามที่จะนำมาเทียบเคียงคือยังทันสมัยอยู่อย่างนั้นน่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากมองสังคมวิธีแก้ปัญหาบราิหารงานบุคคลเนี่ยเราเป็นยุคหัวเลียวกว่าต่อที่พระไปเริ่มบริหารสถาบันสงองค์รวม คือแม้เราจะพูดถึงคําว่าสังการาชสังการาชมาตั้งแต่สุโขทัยนะฮะแต่ว่าสังการาชที่มีอํานาจเป็นสกุลมหมาสังเปายกจริงๆนะมันเริ่มที่สมเด็จระมาสมาุวรรณโดยมีพระราชบัญญัติรอศรยี่สิบเอ็ดเนี่ยรองรับเพราะงั้นมันก็ต้องมีหลักการบริการเป็นอนเนกนันเพื่อจะบริหารให้มันเป็นไปได้ด้วยดีก็เป็นอัจฉริยะในเอกสารก็เก่งมากๆ ประวัติศาสตร์วรรณคดีอะไรเนี่ยจะเก่งมากทีเดียวมันก็เรียกว่าปัญญาที่ติดมาแต่เกิดส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ปัญญาเหล่านี้ยังในกรณีของอะไรของสีปราดสีปราดนั้นเป็นลักษณะของปัญญาประเภทสจาาติกปัญญาก็ยังนึกภาพประเด็กอายุ ป, ประมาณสิบขวก มาเห็นคำโครงซึ่งสมเด็จพระนารายมารารงนิพนธค้างไว้สองบทสองบาทนะฮะปะเวลาที่ปดีผู้เป็นพ่อจะไปต่อมันต่อไม่ได้ต้องหอบมาที่บ้านอับน้ำอาบท้าลูกชายเม็เนณวางต่อเลยต่อแล้วไพร่เสดด้วยจนสมเด็จพระนารายมาราชในิโปรดปรานมากเป็นพิเศษด้นก็คือแสดงถึงความเป็น ปัญญาสัจจติกปัญญาคือปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิดของสีปราดและตัวอย่างเราเนี่ยก็ทําให้เห็นว่าคนเราก็มีปัญญาเป็นพื้นฐานหรือวิญญาณธาตุที่เป็นพื้นฐานมาเนี่ยยิ่งหย่อนแตกต่างกันแล้วก็มากับคนละเรื่องคนละราวมันก็ทําให้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือชาติบรรเมืองช่วยเหลื อ, ล อ, ลอพระศาสนาได้กันคนละแง่คนละนลบุญแต่ว่าไม่ใช่หยุดอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเด็กต้องฟังเท่าไหร่ แต่ลงระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาหนึ่งตอนนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูท่วกันสวัสดี